บทที่65ใจนั้นสำคัญที่สุดหลวงพ่อครับที่เนนดิ่งพูดว่าถ้าปลุกพระให้นั่งได้ทำอะไรก็ได้หมดนั้นหมายความว่ายังไงครับและเกี่ยวข้อง กับกระสินอย่างไรภิกษุวยย21ตั้งคำถามหลวงพ่อเดิมพลิกตัวไปทางขวานอนในท่าสบายแล้วจึงตอบปัญหาหมายความว่าการที่จะปลุกพระให้นั่งได้ต้องให้จิตตั้งมั่นเป็นอปปนาสมาธิถ้าจิตตั้งมั่นใช่แล้วทำอะไรก็ได้หมดเพราะจิตนั้นสำคัญมากจิตก็คือใจนี่แหละ ดังที่พระพุทธเจ้าตรัสสอนว่าทำทั้งหลายมีใจเป็นหัวหน้ามีใจประเสริฐที่สุดสำเร็จแล้วแต่ใจพูดง่ายๆก็คือถ้าจิตตั้งใจถึงแล้วทำอะไรก็สำเร็จหมดและการที่ทำให้จิตตั้งใจถึงก็ต้องเจริญสมถะกรรมฐานสมถะกรรมฐานคืออะไรครับและไปเกี่ยวข้องอะไรกับกสินอย่างไร หลวงพ่อยิ่งพูดผมยิ่งงงสงสัยจะรับวิชาหลวงพ่อไม่ได้เสแล้วละ่ะพระหนุ่มนึกท้ออย่าเพิ่งสงสัยแล้วก็อย่าเพิ่งซักถามและที่สาคัญก็คืออย่าเพิ่งท้อถอยฉันกำลังจะอธิบายให้คุณฟังอยู่เดี๋ยวนี้ช่วยจับชันลูกนั่งหน่อยนอนพูดไม่ถนัดพระเจริญจึงประคองท่านให้ลูกนั่ง ใช้หมอนสามเหลี่ยมใบโตนุนแผ่นหลังจับขาทั้งสองให้เหยียดรงไปข้างหน้าแม้วัยจะเกินร้อยหากพิสุชาราก็นั่งตัวตรงเป็นสงา่าผิดกับคนสูงอายุทั่ ว, วไปเมื่อนั่งในท่าที่ถนัดแล้วก็เริ่มต้นอธิบายสมถกรรมฐานนั้นหมายถึงการฝึกจิตให้สงบตั้งมัน่นหรือการทำจิตให้เป็นสมาธิ ซึ่งมีวิธีปฏิบัติยุงถึง40วิธีเรียกสั้นๆว่ากรรมฐาน40สแบ่งออกเป็นหมวดได้เจดหมวดและกะสินก็เป็นหมวดที่หนึ่งในเจ็หมวดนี้กรรมฐานเจ็ดหมวดมีอะไรบ้างครับถามอย่างสนใจมีกสินสิบอาสุภาสิบอนุสติสิบพรหมวิหารสี่อาหารเรปฏิกูลสัญญา จะตุท่าทววัฏฐานอรูปสี่รวมเป็นสี่สิกรรมฐานเจ็ดหมวดนี้มีขีดขั้นความสำเร็จไม่เท่ากันบางอย่างก็ทำให้ได้ฌานเช่นกะสินบางอย่างได้เพียงอุปจารสมาธิไม่ทำให้ได้ฌานเพราะไม่ถึงกับอปปนาสมาธิหมายความว่า การจะได้ฌานก็ต้องฝึกให้ถึงขั้นอปนาสมาธิถ้าได้แค่คณิกะสมาธิกับอุปจารสมาธิก็ยังไม่ได้ฌานใช่ไหมครับถูกแล้วสมาธิมีสามระดับคือสมาธิชั่วขณะสมาธิจวนแน่วแน่กับสมาธิแน่วแน่เรียกเป็นภาษาบาลีว่าคณิกะสมาธิอุปจารสมาธิ และอัปปนาสมาธิถ้าต้องการให้ได้ฌานก็ต้องฝึกให้ถึงระดับอัปปนาสมาธิภิกษุชาราอธิบายเพราะฉะนั้นการที่เน้นดิ่งแกปลุกพระให้นั่งได้ก็แปลว่าจิตกระถึงขั้นฌานใช่ไหมครับพระหนุ่มถามอีกอย่างนั้นสิหลวงพ่อครับ ผมได้ยินโยมยายพูดถึงฌานมาตั้งแต่เด็กๆแต่ผมไม่ค่อยเข้าใจเท่าไหร่หลวงพ่อจกรุณาอธิบายให้ผมฟังได้ไหมครับทำไมจะไม่ได้ละ่ะเพราะการที่ฉันได้บอกคุณว่าจะเรียนวิชาจากฉันต้องให้ได้กสินก่อนก็คือให้ได้ฌานก่อนนั่นเองแต่เป็นฌานที่ไดจากการเจริญกสินถ้าไดจากการเจริญ ก, า ก, การรกมฐ า, านอย่างอื่น อาจไม่แก่กล้าพอฌานนั้นหมายถึงการเพ่งหรือภาวะจิตที่เพ่งอารมณ์จนแน่วแน่ถึงขั้นอั ป, ปนาสมาธิฌานนั้นแบ่งออกเป็นสองระดับใหญ่ๆแบ่งย่อยออกไปได้อีกระดับละห้ารวมเป็นแปดเรียกว่าฌานแปดหรือสมบัตแปดท่านพูดช้าหากชัดถ้อยชัดคำ ชาญสองระดับที่หลวงพ่อพูดถึงมีอะไรบ้างครับมีรูปชาญกับอารมูปชาญรูปชาญก็หมายถึงการเพ่งรูปธรรมที่เป็นอารมณ์มี4ี่ระดับหรือว่าสีชาญตั้งแต่ชาญที่หนึ่งไปจนถึงชาญที่สีเรียกเป็นภาษาบาลีว่าปฐมชาญทุติยชาญตติยชาญและจตุทชาน ตามลำดับอีกระดับเรียกว่าอรูปฌานคือการเพ่งอรูปธรรมเป็นอารมณ์ผู้ที่จเจริญอรูปฌานได้ได้รูปฌานถึงระดับจจตุ thagana เซก่อนแล้วจึงจ ะ, จะเจริญอรูปฌานตามลำดับคืออากาานันจายตนะกาหนดอากาศหาที่สุดมิได้เป็นอารมณ์วิญญาณันจายตนะ กำหนดวิญญาณหาที่สุดไม่ได้เป็นอารมณ์อกินจัญญายตนะกำหนดภาวะที่ไม่มีอะไรอะไรเป็นอารมณ์และเนวสัญญานาสัญญายตนะฌานอันึเข้าถึงภาวะมีสัญญาก็ไม่ใช่ไม่มีสัญญาก็ไม่ใช่กรรมฐ า, านสี่สิบอย่างที่ฉันพูดมาข้างต้นนั้นนะ่ะมีอยู่สิบอย่าง ที่มีขีดขั้นความสําเร็จเพียงอุปจาระสมาธิไม่ถึงขั้นฌานสิบอย่างนั้นมีอะไรบ้างครับพระหนุมถามมือท่านทำงานหากดวงตาจับจ้องไปที่ใบหน้าของภิกษุชาราฟังอย่างตั้งอกตั้งใจกรรมฐานเจ็ดหมวดที่ฉันพูดไปเมื่อกี้เนี่ยหมวดที่สามหมวดที่ห้าหมวดที่หก มีชื่อว่าอะไรนะท่านทดสอบความจำพิสูจน์หนุ่มอนุสติสิบอาหาเรปฏิกูลสัญญาและจะตุธาตววัฏฐานครับผู้ที่เจ้าคณะจังหวัดนครสวรรค์ชมว่าความจำยอดเยี่ยมตอบฉะฉาน ดีมากความจำคุณดีใช่ได้ทีเดียวเอาละฉันกำลังจะอธิบายว่ากรรมฐานสิบอย่างที่มีขีดขั้นความสำเร็จเพียงอุปจาระสมาธิได้แก่อนุสติ8ข้อกับหมวดที่ห้าและหมวดที่หกอย่างละหนึ่งรวมเป็นสิบอุสติ10ข้อแสดงว่าอีกสองข้อมีขีดขั้นความสำเร็จถึงขั้นฌานใช่ไหมครับ ถูกแล้วอนุสติสิบก็ได้แก่พุทธานุสติธรรมานุสติสังคานุสติเลลานุสติจากคานุสติเทวานุสติมรณสติกายคตาสติอนาปนสติและอุปสมานุสติเจ็ดข้อแรกกับข้อสุดท้ายมีขีดขั้นความสำเร็จเพียงอุปจารสมาธิ ส่วนกายคัตตาสติก็มีขีดขั้นความสำเร็จถึงปฐมฌานและอนาปานสติถึงจะตุทชฌานอันเป็นขั้นสูงสุดของกรุปฌานและกะสิละครับฉันกำลังอธิบายอยู่นี่ไงละ่ะเรื่องนี้สำคัญเพราะคุณจะต้องเรียนทั้งภาคพฤษดีและก็ภาคปฏิบัติที่ฉันเลือกให้คุณเรียนกสิน เพระาะฌานที่ได้จากกสินนั้นแก่กล้ากว่าที่จะได้จักกรรมฐ า, านอย่างอื่นๆพระอัตถคตาจา์ท่านจึงจัดกสินไว้ในหมวดแรกใช่ไหมครับถามอย่างคนช่างสังเกตถูกแล้วพิกษุสูงวัยตอบแล้วก็เริ่มเข้าสู่บทเรียนกสินแปล ว, ว่าวัตถุอันจูงใจคือจูงใจให้เขาไปผูกอยู่ เป็นชื่อของกรรมฐานที่ใช้วัตถุสำหรับเพ่งเพิดจูงจิตให้เป็นสมาธิมีสิบอย่างเรียกว่ากสินสิบและแบ่งออกเป็นสามหมวดได้แก่ภูตะกะสินสีรวั น, นะกสินสี่ 4, และกะสินอื่นๆอีกสองแต่ละหมวดมีอะไรบ้างครับผมเคยได้ยินว่าการเพ่งดินน้ำลมไฟก็เรียกว่ากสินถูกแล้ว นั่นแหละคือภูตกรสินเรียกเป็นภาษาบาลีว่าปัทวีกสินอโปกสินเตโชกสินและก็วาโยกสินหมวดที่สองวรรณกสินก็คือการเพ่งสีเขียวสีเหลืองสีแดงสีขาวเรียกเป็นภาษาบาลีว่านีลกรสินปิตกรสินโลหิตกสินและโอทากระสิน ส่วนกสิณอื่นๆสองก็ได้แก่อโลกกสิณการเพ่งแสงสว่างกับอากาสิณ ก, ก, การเพ่งที่ว่างหลวงพ่อเดิมอธิบายน่าแปลกที่คืนนี้ท่านไม่เคยมีอาการง่วงเหงาเช่นทุกคืนหนึ่งชั่วโมงผ่านไปพระเจริญจึงพูดขึ้นว่า นิโมลหลวงพ่อจำวัดก่อนเถอะครับตื่นขึ้นมาค่อยสอนต่อฉันไม่ง่วงหรอกคุณเวลาเป็นเงินเป็นทองจะมัวมานอนอยู่ได้ยังไงและที่สำคัญก็คือเวลาของฉันเหลือน้อยเต็มทีมือที่กำลังนวดช่วงไหลให้ภิกษุชาาล่วงพลอยลงมาโดยจะตัวรู้สึกหมดแรงถ้อยคำของพิสุวัยร้อยเศษทาให้พระหนุ่ม ตระหนกมือไม้อ่อนปวกเปียกหลวงพ่ออย่าพูดอย่างนี้สิครับผมผมทำใจไม่ได้ผมเคารพรักหลวงพ่อมากหลวงพ่ออย่าเพิ่งเป็นอะไรนะครับผู้พูดนั่งคอตกรู้สึกหมดอะไรตายยากในชีวิตนับวันท่านยิ่งรักและก็เคารพหลวงพ่อเดิมมากขึ้นโดยเฉพาะวันนี้ ท่านได้เรียนสมถาากรรมฐานจากภิกษุชราซึ่งสอนให้เข้าใจแจ่มแจ้งยิ่งนักคุณต้องทำใจให้ได้มันเป็นธรรมดาของชีวิตมีเกิดก็ต้องมีดับดวงตะวันยังไม่อยู่ข้างฟ้ามันขึ้นมาแล้วมันก็ตกไปประสาอะไรกับชีวิตมนุษย์ภิกษุสูงวัยพูดด้วยเสียงปกติ ผมอยากให้หลวงพ่ออยู่ไปนานๆครับเพื่อเป็นร่มโพร่มทรายของลูกศิษย์ลูกหาถ้ามันเป็นไปตามที่คุณอยากโลกนี้ก็ไม่มีใครตายเพราะทุกคนก็อยากมีชีวิตอยู่ด้วยกันทั้งนั้นเอาละ่ะอย่าทําจิตตกประเดี๋ยวจะเรียนไม่รู้เรื่องฉันยังไม่ตายในวันสองวันนี้หรอกนาท่านปลอบใจพระหนม ถ้าเช่นนั้นผมข อ, อนิมน์หลวงพ่ออยู่ต่ออีกส7เจปีนะครับให้อายุเท่ากับอานนท์พุทธอุปถาเพราะเจริญรู้สึกใจคอดีขึ้นมานิดนึงคงไม่ถึงขนาดนั่นหรอกไม่ถึงแน่พระหนุมใจห่อเหี่ยวลงอีกรันคิดถึงโยมยายความห่วงใ ย, ยเริ่มก่อตัวขึ้นป่านนี้โยมยายจะอยู่ดีมีสุข หรือว่าเจ็บประทวยป่วยไข้ก็ไม่อาจจะรู้ได้พิกสุชราล่วงรู้จิตใจของสิทธิ์คนสุดท้ายจึงพูดขึ้นว่าไม่ต้องห่วงโยมยายของคุณหรอกเขาสบายดีฉันรับรองได้แต่โยมยายอายุมากแล้วนะครับหลวงพ่อกรม9ก้าสิแล้วผมหวั่นใจว่าท่านจะจากไปโดยที่ผมไม่มีโอกาสได้กลับไปเห็นใจ เสียงที่พูดสัส น, นิดๆไม่เป็นเช่นนั้นแน่ฉันรู้ว่าเขาต้องอายุยืนเชื่อฉันไหมล่ะเชื่อครับเชื่อร้อยเปอร์เซนเลยไม่เชื่อหลวงพ่อแล้วจะเชื่อใครเชื่อตาอุ้ยนะสิได้ข่าวว่าไปเรียนคาถามาหาสเสนจะแก้ไม่ใช่รึภิกษุชร า, าสัพพยกนึกถึงหลวงตาอุ้ยเทวไร พระหนุ่มมีอันต้องหุดหงิดทุกครั้งยังนึกเคืองแก่ไม่หายที่หลอกให้ท่านนวดตั้งสามชั่วโมงนับตั้งแต่วันนั้นท่านเลยไม่ยอมเสวนาด้วยเพราะท่องไว้ในใจเสมอๆว่าคบคนพาลพาลไปหาผิดหลวงพ่อสอนเรื่องกะสินต่อเธอครับนิมนต์ท่านประนมมือพร้อมกล่าวเชิญ ไม่อยากได้ยินแม้กระทั่งชื่อของหลวงตาอุย้ยพูดถึงตาอุ้ยแล้วรู้สึกขายหน้าไหมละ่ะเห็นว่าถูกแกหลอกให้นวดตั้งสามชั่วโมงภิกษุชราหัวเราะหึ่หึอย่างอารมณ์ดีทำไมหลวงพ่อรู้ก็ทำไมฉันจะไม่รู้ละ่ะครับครับผมยอมแพ้นิมนเทศเรื่องกระสินต่อเถอะครับตกลงแต่ก่อนที่จะซ้อนต่อ ขอถามก่อนว่าคุณมีข้อสงสัยอะไรหรือเปล่าสิ่งที่ฉันพูดมาทั้งหมดนะ่ะสงสัยไหมนีม่ฉันหมายเฉพาะเรื่องกรรมฐานเท่านั้นนะเรื่องอื่นไม่เกี่ยวท่านต้องพูดกันไว้ก่อนด้รู้ว่าพระเจริญกำลังจะถามนอกเครื่องพระหนุ่มจึงต้องตอบว่าไม่สงสัยครับเรื่องที่หลวงพ่อพูดมาแล้วผมไม่สงสัย แต่สงสัยเรื่องที่ยังไม่ได้พูดคือผมกำลังจะเรียนถามหลวงพ่อว่าผมต้องเรียนกสินทั้งสิบ์อย่างเลยใช่ไหมครับไม่ต้องถึงขั้นนั้นเอาแค่หมวดแรกคือภูตะกะสินก็อพอโดยเริ่มเรียนปทวีกสินก่อนเอาละฟังให้ดีฉันจะบอกวิธีเรียนปทวีกสินหรือว่าพูดให้ถูกต้องตามตารา กว่าวิธีเจริญปฐวีกาสินภิกษุวัยร้อยสามนั่งหลับตาเพื่อรื้อฟื้นความจำท่านต้องการสอนสิทธิคนสุดท้ายผู้นี้ให้เข้าใจแจ่มแจ้งที่สุด วิธีเจริญปฐวีกรสินที่พระอัตคตาจารย์ท่านสอนไว้นั้นน่ะอันดับแรกต้องทำดวงกรสินก่อนวิธีทำดวงกรสินให้หาดินที่มีสีแดงดุดแสงพระอาทิตย์เมื่อแรกอุทัยคุณเคยเห็นไหมดินถือว่าเนี่ยเคยครับที่หลังวัดก็มีผมเคยเดินไปดูพระนมตอบ ทำไมมันจึงมีสีแดงปกติดินต้องสีดำไม่ใช่หรือผู้สูงวัยกว่าต้องการตรวจสอบความรู้อีกฝ่ายคงเป็นเพราะมีแร่เหล็กมากกระมังครับสนิมเหล็กทำให้ดินมีสีแดงก็น่าจะเป็นอย่างที่คุณว่าภิกษุชารารู้สึกพอใจในปฏิพานไหวพริบของภิกษุหนุ่มจากนั้นจึงอธิบาย ปัทวีกสินต่อเมื่อได้ดินมาแล้วพึงชำระดินนั้นให้บริสุทธิ์เสียก่อนจึงทำให้เป็นวงตรมกว้างคืบสีนิ้วขัดให้ราบเสมอหน้ากลองแล้วพึงปัดกวาดที่นั้นให้โล่งเตียนอาบน้ำชำระกายให้สะอาดทำใจให้ปลอดโปง่ง ตัดความกังวลทั้งหลายให้หมดให้สิน้นหลังจากนี้คงทํายากนะครับหลวงพ่อฟังดูเหมือนไม่ยากแต่เวลาทําผมรู้ว่ามันไม่ง่ายเลยไม่รู้ว่าผมจะทําได้หรือเปล่าต้องได้สิการทําความดีต้องฝืนใจทใําไมฝืนใจทําไม่ได้เพราะทําความดียากทําชั่วทําง่ายคุณว่าจริงไหม จริงครับนิมนต์หลวงพ่อบรรยายต่อเธอครับตกลงเอาละเมื่อปฏิบัติดังที่กล่าวมาข้างต้นแล้วก็ถึงตอนนั่งภาวนาให้นั่งบนตังที่มีขาสูงคืบสีนิ้วไกลจากดวงกะสินประมาณสองศอกคืบอาการที่นั่งให้นั่งขัดสมาธิเท้าวขวาทับเท้าซ้าย มือขวาทับมือซ้ายตั้งกายให้ตรงหันหน้าเข้าหาดวงกะสินนึกพิจารณาโทษของกามคุณต่างๆและตั้งจิตให้ยินดีในชาตธรรมอันเป็นอุบายที่จะยกตนออกจากกามคุณจากนั้นให้ระลึกถึงคุณของพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ยังปรีดาปราโมทให้เกิดขึ้น แล้วพึงลืมตาดูดวงกสินเมื่อดูดวงกสินนั้นอย่าพิจารณาสีพึงกําหนดว่าสิ่งนี้เป็นดินเท่านั้นแต่สีดินนั้นจะละเลยเสียก็ไม่ได้เพราะว่าสีกับดวงกสินนั้นเป็นอันเดียวกันดูดวงกสินให้เป็นอันดูสีอยู่ด้วยดังนั้นพึงรวมดวงกสินกับสีเข้าเด็กกัน และดูดวงกสินกับสีนั้นพร้อมกันโดยกำหนดว่าสิ่งนี้เป็นดินและพึงบริกรรมว่าดินดินหรือถ้าจะเป็นภาษาบาลีก็ว่าปัทวีปัทวีอย่างนี้เป็นร้อยเป็นพันครั้งขณะบริกรรมว่าดินดินหรือปัทวีปัทวีนั้นอย่าลืมตาตลอดเวลา ให้เลืมตานิดนึงและพึงหลับตาลงเสียและพึงเลืมตาขึ้นดูอีกปฏิบัติดังนี้ต่อไปเอาละเท่าที่ชันอธิบายมาเนี่ยคุณพอจะปฏิบัติได้ไหมให้ทำไปตามนี้ก่อนมีปัญหาอะไรให้มาถามได้แต่ฉันขอบอกไว้เสียก่อนนะว่าการงานทุกอย่างจะสำเร็จลุล่วงได้ ก็โดยความเพียรพยายามภิกษุชาราพูดให้กำลังใจสิทธิ์คนสุดท้ายครับผมจะพยายามอย่างที่สุดหลวงพ่อบรรยายมาจบเรื่องกะสินหรือยังครับยังไม่จบหรอกยังมีอีกหลายเรื่องฉันยังไม่ได้อธิบายเรื่องนิมิตสภาวนาสาวสีหคืนอธิบายตอนนี้ อาจทำให้คุณควยเขวหรือไม่ก็ท้อถอยเสียก่อนเอาเป็นว่าคุณไปทำอย่างที่ชันพูดมาข้างต้นก็แล้วกันแล้วค่อยมาต่อภายหลังแล้วนานไหมครับกว่าผมจะได้ฌานพระนมเรียบเคียงถามอันนี้ต้องถามตัวคุณเองมันขึ้นอยู่กับว่าคุณมีความเพียรแค่ไหนแต่ชั้นรับรองว่าไม่เกินสามเดือน เกินสามเดือนไม่ได้ท่านพูดเป็นในๆนอกจากตัวท่านเองแล้วไม่มีใครรู้ว่าอีกสามเดือนข้างหน้าท่านจะละสังขารลาจากโลกมนุษย์ไปอยู่พรหมโลก